ความหลังในสังสารบทที่สิบเก้าเจ้าจอมมารดาแพรคืนวันที่ยี่สิบเก้าเมษายนพุทธศักราชสัาท่านพระครูกำลังจำวัด พลันก็ได้ยินเสียงพุ้นหูบอกห้ามว่าอย่าเพิ่งนอนลุกขึ้นมาคุยกับครัวโตก่อนเจ้าอววาดวัดป่ามะม่วงลุกขึ้นนั่งครั้นเห็นสมเด็จพระพุทธจารย์โตพลมรังสีจึงก้มลงกราบสามครั้งยังไม่ทันที่ท่านจะพูดอะไรสมเด็จโตก็พูดว่าพรุ่งนี้ตอนบ่ายสองจะมีอาคารตุกะที่เคยเป็นคนเก่าแกมหาเธอสองราย รายแรกจะมากับเพื่อนสองคนรายที่สองมากับแม่และน้องสะพภ้ของเขาทำไมจึงมาเพียงสองรายขอรับปกติช่วงบ่ายอาคันตุ ก, กะก็จะพากันมาจนแน่นกุฏิเลยนะขอรับสมเด็จโตตอบว่าแค่สองรายก็หมดเวลารับแขกของเธอแล้วเพราะรายที่สองเขามีเรื่องจะมาเล่ามากมายและท่านจึงเล่า เรื่องที่อคันตุกะรายที่สองจะเล่าในวันรุ่งขึ้นให้ท่านพระครูฟังเล่าจบจึงสรุปว่าเขาจะมาเล่าอย่างที่ฉันเล่าให้เธอฟังนี่แหละแต่เธอไม่ต้องรอให้เขาเล่าหรอกเพราะจะใช้เวลาเล่านานมากให้เธอเป็นฝ่ายเล่าเสียเองเล่าแล้วก็ถามเขาว่าที่เธอเล่ามานี้ถูกต้องหรือไม่ส่วนเรื่องที่ว่า ทำไมจึงมาเพียงสองรายฉันจะตอบเธอว่าเพราะรายอื่นๆไม่ได้เกี่ยวข้องกับฉันและเธอแต่เอาเถอฉันจะช่วยด้วยการโดนใจพวกเขาให้มาในวันอื่นแทนท่านพระครูเรียนถามว่าแล้วสองรายนี้เกี่ยวข้องกับพระเดชพระคุณและกล่าวกระหม่อมอย่างไรขอรับสมเด็จโตตอบว่ารายแรกเคยเป็นลูกหลานของฉันในอดีต รายที่สองเป็นญาติกับฉันในปัจจุบันชาติส่วนความเกี่ยวข้องกับเธอนั้นรายแรกเคยเป็นนายอาลักษ์แล้วก็เป็นนักรบคนสนิทของเธอเวลานั้นเธอคือพระพิพิธสุนทรโอรสบุญธรรมของกรมเมือนเทพพิพิธส่วนรายที่สองเคยเป็นแม่ทัพแห่งกรุงศรีอยุธยาคู่กับเธอครั้งที่เธอถูกจับไปเป็นตัวประกัน อยู่ที่กรุงหงสาวดีเขาเป็นคนยกทัพไปรับเธอกลับกรุงศรีอยุธยามาในชาตินี้เธอต้องตอบแทนบุญคุณเขากล่าวกระหม่อมจะตอบแทนอย่างไรขอรับไว้ถึงเวลาเธอจะรู้เองอย่าลืมนะว่าเธอต้องตอบแทนบุญคุณเขาสมเด็จโตยำแล้วรายแรกกล้ากระผมจะต้องตอบแทนบุญคุณเขาหรือเปล่าขอรับ สมเด็จโตยังไม่ตอบหากถามอีกว่าเธอได้ลูกประคำกาวสีมาจากลูกศิษย์ของชันที่อยู่วัดระฆังใช่หรือไม่พระเดศพระคุณหมายถึงหลวงปู่นาคหรอขอรับเพราะเก่ากับผมได้ลูกประคำมาจากท่านถูกแล้วลูกประคำเส้นนี้ฉันทาขึ้นมาเองนะเป็นลูกประคำกาวสีมีร้อยแเม็ดปี2537 เธอจงมอบลูกประคำเส้นนี้ให้เขาแล้วก็บอกกับเขาว่าครัวโตเป็นคนทําขึ้นมาที่ให้เพราะเขาเคยเป็นลูกหลานของครัวโตแล้วกาชับเขาด้วยว่าห้ามขายแล้วก็ห้ามให้คนอื่นเพราะลูกประคำเส้นนี้จะช่วยชีวิตเขาไว้เมื่อมีคนมาตามข่าถึงบ้านเดือนเมษายนปีพุทธศักราชสองพร จะมีผู้ชายสามคนแต่งชุดทหารพรานขับรถกระบะเก่าๆสีเล uh> uh> ือดหมูมาจอดที่หน้าบ้านเขาแต่เขาจะมาอยู่ที่วัดของเธอก็เลยรอดชีวิตมาได้เหตุใดชายทั้งสามคนจึงจะฆ่าเขาเขาไปทำอะไรให้คนทั้งสามโกรธเคืองถึงกับจะเอาชีวิตเลยล่ะขอรับเขาไม่ได้มีเรื่องกับสมคนนี้แล้วก็ไม่เคยรู้จักกันมาก่อน แต่มีผู้หญิงคนนึงที่เป็นเจ้ากรรมนายเวรกับเขามาตั้งแต่ชาติบางก่อนมาในชาตินี้จึงมีเหตุให้ต้องมาตามล้างพลานกันอีกผู้หญิงคนนั้นจะว่าจ้างมือปืนสามคนให้ไปฆ่าเขาแล้วเขารู้ตัวไหมขอรับว่ามีคนตามฆ่าเขาไม่รู้แต่วันที่มือปืนสามคนไปที่บ้านของเขาตัวเขาจะอยู่ที่วัดของเธอ และกำลังเดินจงกรมอยู่สติจะบอกเขาว่าผู้หญิงชื่อนี้นามสกุล น, นี้จ้างชายสามคนไปยิงเขาที่บ้านถ้าเขาไม่ได้มาเข้ากรรมฐ า, านที่วัดป่ามะม่วงก็จะถูกยิงตายนอกจากนี้สติจะบอกเขาถึงสาเหตุที่ทำให้ผู้หญิงคนนั้นจ้างคนมายิงเมื่อเขาเดินจงกรมและนั่งภาวนาเสร็จเขาก็จะขออโหสิกรรมจากผู้หญิงคนนั้น แล้วจึงจะแผ่เมตตาและอุทิศส่วนกุศลไปให้แต่ผู้หญิงคนนั้นก็ยังไม่เลิกกราง่ายๆ ย, ยังรอโอกาสที่จะแก้แค้นอยู่และเขาจะได้แก้แค้นอย่างที่เขาต้องการหรือเปล่าขอรับไม่ได้หรอกเพราะเมื่อคนที่คุ้มครองเขาตายจากไปและคนที่คุ้มครองคนใหม่ก็มีอันต้องจากพากไปเป็นอื่นเขาก็จะเสียใจแล้วก็เป็นทุกข์มาก จึงหันหน้าเข้าวัดปฏิบัติธรรมจนพบกับความจริงของชีวิตว่าการฆ่าคนตายเป็นบาปแม้ชาตินี้จะไม่ติดคุกแต่ชาติหน้าต้องตกนรกอย่างแน่นอนเขาก็เลยกลัวบาปแล้วก็เลิกจองเวรจองกรรมกับคนเก่าแก่ลายแรกเอาละฉันมาบอกเท่านี้แหละจะไปแล้ว นิมนต์พระเดชพระคุณอยู่ก่อนอย่าเพิ่งไปเลยขอรับกล้าวกับผมขอกราบเรียนถามอีกข้อเท่านั้นคือที่พระเดชพระคุณบอกว่าจะมีแขกที่เคยเป็นคนเก่าแก่มาหากล้าวกับผมสองรายในวันพรุ่งนี้นั้นกล้าวกับผมอยากทราบว่าทั้งสองรายเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงแล้วพวกเขาเก่าแก่ขนาดไหนอายุเกินร้อยปีใช่หรือไม่สองข้อเท่านี้แหละขอรับ พลันสมภารวัดป่ามะม่วงก็นึกถึงคำพูดของสมเด็จโตซึ่งท่านพบครั้งแรกที่ประเทศศรีลังกาเมื่อปีพุทธศักราชสองพัหครั้งนั้นสมเด็จโตพูดกับท่านว่าคิดถึงท่านท่านก็คิดถึงเราจึงพูดย้าวว่าพระเดชพระคุณขอรับกล่าวกระผมจาได้ว่าตอนกล่าวกระผมไปศรีลังกาเมื่อปีพุทธศักราชสองย พระเดชพระคุณพูดกับกล่าวกระผมว่าคิดถึงท่านท่านก็คิดถึงเราแต่กล่าวกระผมกําลังจะจำวัดไม่ได้คิดถึงพระเดชพระคุณแต่พระเดชพระคุณก็มาแสดงว่าแม้ไม่ได้คิดถึงท่านท่านก็คิดถึงเราได้อย่างนั้นใช่ไม่ขอรับไม่มีเสียงตอบจากสมเด็จโตแสดงว่าท่านไปแล้วภิกษุวัย้จึงแอบเอ็นกายลงนอนอย่างมีสติ และพร้อมที่จะตื่นขึ้นมาทำหน้าที่สักยะบุตรพุทธโอรสต่อไปบ่ายสองโมงตรงของวันรุ่งขึ้นจเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงลงรับแขกตามปกติมีสตรีนั่งอยู่หน้าอาสนะเพียงสองคนคืออาจารย์วันวิไลหรืออาจารย์แก้วอีกคนคืออาจารย์อุบลเพื่อนของเขาหากถือตามคำพูดของสมเด็จโตอาจารย์แก้วก็เป็นคนเก่าแก่รายแรก ส่วนรายที่สองนั้นเห็นหนอบอกว่ากำลังเดินทางมาใกล้จะถึงแล้วสมพานวัดป่ามะม่วงจำได้ว่าอาจารย์แก้วเคยมาเข้ากรรมฐานที่วัดนี้ระหว่างวันที่19ถึง25มิถุนายนพุทธศักราช2526ในโครงการสัปดาห์แห่งการปฏิบัติธรรมของข้าราชการจัดโดยอาจารย์วิชยัยสุทีรชานนท์ ผู้ซึ่งได้ชวนเชิญข้าราชการทั่วประเทศจำนวน200คนมาเข้าโครงการเพว่ามีข้าราชการมาเข้าปฏิบัติเพียง19คนเท่านั้นท่านพระครูรู้ว่าที่เป็นดังนั้นเพราะข้าราชการชายหญิงทั้ง19คนเคยเป็นนักรบภายใ ต, ใต้การบังคับบัญชาของท่านสมัยกรุงแตกครั้งที่สองในชาตินั้นพวกเขาเป็นชายทั้งหมดทั้งกรุงแตกในปีพุทธศักราช2310 นักรบภายใต้บังคับบัญชาของท่านเหลืออยู่17คนอีกสองคนซึ่งทำหน้าที่เป็นม้าเร็วคอยส่งข่าวนั้นหายไปไม่รู้ว่าถูกพม่าฆ่าตายหรือว่ากลับบ้านไปหาลูกเมียเพราะเมื่อกรุงแตกต่างคนต่างก็หนีเอาตัวรอดยกเว้นพระยาตากที่ขุดอุโมงค์ลอดกำแพงเมืองออกไปกับพักพวกอีกห้าคน เพื่อรวบรวมกองกำลังและจะกลับมากู้อิสรภาพและท่านก็ทำได้เพราะชาติไทยไม่สิ้นคนดีส่วนพระพิพิธสุนทรกับนักรบที่เหลือ17คนนั้นหลังจากทาหน้าที่อย่างเต็มความสามารถหากไม่อาจรักษากรุงศรีอยุธยาไว้ได้เพราะนอกจากผู้นำคือพระเจ้าเอกทัศทรงอ่อนแอและไม่สันทัดในการรบแล้วคนไทยบางพวกยังไปเข้าข้างศัตรูเสอีก จึงทำให้ไทยต้องพ่ายแพ้อย่างยับเยินทั้งวัดทั้งวังถูกพมา่าเผากลายเป็นทะเลเพลิงเมื่อเสร็จสึกสงครามพมา่ายกทัพกลับหงสวดีก็เป็นอันหมดหน้าที่จึงปรึกษากันว่าจะพากันบวชในพระบวรพุทธศาสนาดีหรือว่าจะแยกย้ายกันกลับบ้านดีพระพิพิธสุนทรบอกกับนักรบทั้ง17คนว่าจะขอบวช แล้วก็จะเดินทุดงไปบำเพ็ญเพียรที่ป่าดงพญาไฟมีนักรบสมัครใจไปกับท่าน5้าคนส่วนอีกส2องคนต้องการกลับบ้านโดยเฉพาะนายอาลักษ์หรือหลวงสุริสารซึ่งบัดนี้คืออาจารย์แก้วหลวงสุริสารต้องการกลับไปบ้านที่นนทบุรีเพื่อดูแลแม่ซึ่งแก่มากแล้วพระพิพิษสุนทรจึงสั่งเขาให้ไปเขียนบันทึกเหตุการณ์ ครั้งกรุงแตกไว้เพื่อคนรุ่นหลังจะได้รู้ว่าบรรพบุรุษของพวกเขาต้องลำบากยากเข็นเพียงไรในการรักษาแผ่นดินไว้ให้พวกเขาได้อยู่อาศัยหลังจากปฏิบัติธรรมเจริญกรรมฐานในปีพุทธศักราช2526แล้ว อาจารย์แก้วก็มาวัดบามะม่วงบ่อยครั้งโดยมากับอาจารย์อุบลซึ่งสอนอยู่ที่เดียวกันนอกจากนี้ยังพานักศึกษามหาวิทยาลัยครูทนบุรีมาปฏิบัติธรรมอีกด้วยเห็นหนอบอกท่านว่าต่อไปอาจารย์แก้วจะเป็นนักเขียนชื่อดังมีคนรู้จักทั่วโลกและที่สำคัญคือเขาจะช่วยงานท่านในการเผยแผ่พุทธศาสนา รวมทั้งงานสร้างคนที่ท่านทําอยู่เมื่อท่านไปนั่งยังอาสนะแล้วอาจารย์แก้วกับอาจารย์อุบลจึงกราบท่านด้วยเบญจางคประดิษฐ์สามครั้งจากนั้นอาจารย์แก้วจึงกราบเรียนว่าหลวงพ่อคะหนูจะขออนุญาตพ า, น, า, า, าต น, นักศึกษาภาคค่ํามาปฏิบัติธรรมสมวันนักศึกษาภาค่ํามเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ทํางานกันแล้วมีทั้งนายทหารนายตำรวจ ครูประจำการแล้วก็พนักงานรัฐวิสาหกิจบางคนอายุมากกว่าหนูซสอีกพวกเขาคงไม่ซุกสนว่ายากสอนยากเหมือนนักศึกษาภาคกลางวันที่หนูเคยพามาหนูคิดว่าต่อไปนี้จะไม่พานักศึกษาภาคกลางวันมาอีกแล้วเพราะพวกเขามาคุยกันมาเล่นซุกซนในวัดแล้วก็ไม่ได้ตั้งใจปฏิบัติเลยกลายเป็นว่ามาวัดแทนที่จะได้บุญ กลับได้บาปหนูไม่อยากให้พวกเขาบาปจึงจะไม่พามาอีกค่ะจะมาเมื่อไรล่ะท่านถามสั้นๆหลังจากที่อาจารย์แก้วกราบเรียนยาวๆจบลงวันศุกร์ที่จะถึงนี้ค่ะแล้วอาจารย์อุบลจะมาด้วยหรือเปล่าท่านถามยิ้มยิ้มเพราะรู้ว่าอาจารย์อุบลไม่มีเวลามาปฏิบัติธรรมเจริญกรรมฐานเพราะห่วงพ่อแม่ซึ่งอยู่ในวัยชารา หนูมาไม่ได้ค่ะหลวงพ่อวันเสราร์อาทิตย์หนูต้องไปดูแลพ่อกับแม่ซึ่งอยู่คนละบ้านกับหนูอาจารย์อุบลกลาบเรียนสตรีสามคนเดินเข้ามาในกุฏินายขุนทองซึ่งนั่งเฝ้าหลวงลุงอยู่รีบลุกขึ้นไปต้อนรับและช่วยประคองสตรีอายุเจหรือไม่ก็ใกล้จะเจสส่วนอาจารย์ผู้หญิงสองคนที่มาก่อนเขาไม่จำเป็นจะต้องต้อนรับขับสู้ ประดูท่าทางแล้วคงไม่ใช่แขกพิเศษและคงไม่มีที่พิเศษให้เขาเหตุผลอีกประการหนึ่งคือเพราะเธอสองคนเป็นผู้หญิงถ้าเป็นผู้ชายเขาก็จะสนทนาภาทีเพื่อผูกไมตรีเอาไว้ที่เข้ามาต้อนรับสตรีสามคนเพราะบังเอิญมองไปเห็นพวกเขามารถเบนซ์มีคนขับหน้าตาหล่อเหลาเร้าใจจนเขาอยากจะไปผูกไมตรีด้วย สตรีทั้งสามที่มานี้สองคนอุ้มหมอนสามเหลี่ยมใบใหญ่มาคนละใบส่วนคนอายุมากมีกระเป๋าถือคล้องแขนอยู่เขาคิดว่าในกระเป๋าคงมีเงินมากมายวันนี้เขาคงได้ทิปพิเศษหลายร้อยคนทั้งสามนั่งลงตรงหน้าอัสนะสองคนที่อุ้มหมอนมาวางหมอนไว้ทางขวามือของตนแล้วจึงกราบท่านเจ้าของกุฏิพร้อมกัน เจริญพรดรสบายดีหรือท่านทักทายรู้เดี๋ยวนั้นเองว่าอคันตุกะซึ่งเป็นคนเก่าแก่รายที่สองคือดอรกิ่งแก้วนี่เองสบายดีค่ะตั้งแต่บุรณปฏิสังขรนพระเจดีเสร็จโยมสบายอกสบายใจมากอย่างนั้นหรือแล้วที่อุ้มหมอนสามเหลี่ยมมานี่มีจุดประสงค์อะไรหรือว่าจะเอามาให้อัตมาปลุกเสก ท่านถามยิ้มยิ้มเพราะอาคันตุกะที่มาหาท่านในแต่ละวันยังไม่เคยมีใครอุ้มหมอนมาเลยสักคนโยมก็ไม่ทราบเหมือนกันค่ะว่าอุ้มหมอนมาทําไมอยู่ๆโยมก็คิดถึงหลวงพ่อและก็อยากจะมากราบเมื่อวานเลยขับรถกลับบ้านที่กรุงเทพและชวนคุณแม่กับน้องสะพ้ยว่าพรุ่งนี้เราจะไปกราบหลวงพ่อวัดป่ามะม่วงกันคุณแม่กับน้องสะไพ้าก็รับปากทันที ทั้งที่ไม่เคยรู้จักหลวงพ่อมาก่อนพอจะออกจากบ้านโยมก็เหลือบไปเห็นหมอนสองใบนี้เลยบอกกับน้องสะพยว่าเราอุ้มหมอนไปคนละใบนะน้องสะพยก็ถามว่าจะเอาไปทำอะไรโยมก็ตอบไม่ได้แต่ก็บอกเขาว่าเอาติดไม้ติดมือไปดีกว่าไปมือเปล่าก็เลยอุ้มมาคนละใบแต่เดี๋ยวนี้โยมคิดออกแล้วขาวว่า จะทำอย่างไรกับหมอนคู่นี้ด็อตอร์จะทำอย่างไรหรือท่านพระครูถามด็อตอร์วัยเต็ม46เมื่อเดือนที่แล้วตอบจากนั้นก็ประเคนหมอนสองใบแด่ท่านพระครูท่านเจ้าของกุฏิรับประเคนแล้วจึงสั่งให้ในายขุนทองนำไปวางไว้บนเวทีเบื้องหลังท่านโยมมาวัดนี้เป็นครั้งแรกใช่ไหมสมภารวัดป่ามะม่วงถาม หม่อมราชวงศ์พันเรืองมารดาของด็อตอร์กิ่งแก้วจ้าหลวงพอ่อพอลูกสาวชวนโยมก็ตกลงทันทีเลยจ้าหม่อมราชวงศ์พันเรืองตอบทำไมโยมถึงตกลงทั้งที่โยมไม่เคยรู้จักอาตมามาก่อนโยมก็ไม่ทราบจ้ารู้แต่ว่าพอได้ยินชื่อหลวงพอ่อโยมก็อยากจะมากราบมารดาด็อตอร์กิ่งแก้วตอบ สมภารวัดป่ามะม่วงเห็นว่าถึงเวลาแล้วที่ท่านจะเล่าให้ดกรกิ่งแก้วฟังเกี่ยวกับเรื่องที่สมเด็จโตเล่าให้ท่านฟังเมื่อกลางดึกอาจารย์แก้วกับอาจารย์อุบลก็จะได้ฟังด้วยโดยเฉพาะอาจารย์แก้วนั้นท่านจะให้เขาเขียนอัตตะชีวประวัติของท่านในรูปของธรรมนิยายเพื่อสอนคนให้เชื่อเรื่องกรรมคนที่ได้อ่านได้ฟังก็จะได้ละชั่ว เพราะกลัวบาปในอนาคตคนไทยจะเสื่อมจากศาสนาจะพากันสร้างความชั่วให้ทั้งตัวเองและผู้อื่นบ้านเมืองจะเกิดยุคเข็นผู้คนจะเห็นเงินเป็นพระเจ้าพยายามสแสวงหาและกอบโขยเงินทองไว้ให้มากที่สุดและวิธีหาเงินที่ง่ายที่สุดก็คือการค้ายาเสพติดพวกนักการเมืองที่ไร้คุณธรรมจะทำลายชาติบ้านเมืองให้เสียหาย ประชาชนตกเป็นทาสของยาเสพติดกันทั่วทุกแห่งหนท้ายที่สุดคนที่ก่อกรรมทำชั่วก็จะแพ้ภ่ายตัวเองจะถูกธรรมชาติลงโทษให้หนักหนาสาหัสและเมื่อตายไปก็จะดิ่งลงนรกทันทีไม่มีใครช่วยได้เงินทองร้อยล้านพันล้านที่ได้มาโดยไม่ชอบก็ไม่อาจช่วยพวกเขาได้เอาละสรุปว่าดอกเตอร์คุณแม่ และน้องสไปซ์ไม่เคยมีใครมาวัดนี้เลยวันนี้เป็นวันแรกที่มาและวันหน้าก็จะได้มาบ่อยขึ้นอาตมากำลังจะบอกดอกเตอร์และคุณแม่ว่าอาตมารู้จักโยมทั้งสองมานานรู้ถี่มาถี่ไปด้วยโยมฟังอาตมานะอาจจะมาจะเท้าความหลังให้โยมฟังโยมฟังแล้ว่วยบอกอาตมาด้วยว่า ที่อาตมาพูดมานั้นเท็จจริงอย่างไรตกลงนะค่ะจ้ะด็อเตอร์กิ่งแก้วและมารดาตอบพร้อมกันท่านพระครูจึงเล่าว่าโยมมีศัก์เป็นหลานในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สีใช่หรือไม่ท่านถามหม่อมราชวงศ์พันเรืองใช่จ้ะโยมแม่ของโยมเป็นพระธิดาในรัชกาลที่สี ที่เกิดจากเจ้าจอมมานดาแพรเป็นพระเชตพัคินีของพระองค์เจ้ามนุษยนาคมนบพระโอรสลำดับที่47ในพระบาทสมเด็จพระจอมกล่าเจ้าอยู่หัวและลำดับที่4ของเจ้าจอมมานดาแพพระองค์เจ้ามนุษยนาคมนบได้ผนวดเป็นพระภิกษุเมื่อพระชนมายุครบ20และประทับจำพรรษาณวัดบวรนิเวศวิหาร ตลอดการพระชนชีพพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สถาปนาสมณศักดิ์ครั้งหลังสุดเป็นสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมประยาวชิรยานวโรรสทรงเป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่สิบแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ที่ทรงพระปรีชาสามารถทรงพระนิพนธ์หนังสือและทรงชำระพระคมภี และประกรต่างๆกว่า300เรื่องนอกจากนี้ยังทรงจัดตั้งมหมามกุฎราชวิทยาลายัยซึ่งเป็นสถานศึกษาวิชาการแบบใหม่สำหรับคณะสงฆ์และกุลบุตรทั่วไปเอาละที่อาตมาพูดมานี้จริงหรือเท็จประการใดท่านถามหม่อมราชวงศ์พันเรืองจริงทุกอย่างไม่มีเท็จเลยจ้ะมารดาด็อเตอร์กิ่งแก้วตอบ ท่านพระครูจึงเล่าอีกว่าเอาละต่อไปนี้อาตมาจะเล่าเรื่องของเจ้าจอมมารดาแพรซึ่งเป็นโยมยายของโยมก่อนที่จะมาเป็นเจ้าจอมมารดานางสาวแพจอดแพรอยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยานาวัดสมอรายซึ่งปัจจุบันคือวัดราชาที่วาดในเวลานั้นเจ้าฟ้ามงกุฎพระราชะโอรสลำดับที่43สา ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านาาลายัยพระมานดาคือสมเด็จพระศรีสุริยนธรามาตได้พนวดเป็นพระภิกษุณวัดพระศรีรัตนาศาสดารามได้รับพระนามฉายาวา่าวชิระยานภิกขุจากนั้นสเสด็จไปประทับที่วัดมหาธาตุสามวันเพื่อทรงปฏิบัติอุปชัยวัดตามควรแก่วินัยนิยมแล้ว จึงเสด็จไปจำพรรษาณวัด ส, สมรายผนวดได้สิบห้าวันสมเด็จพระราชบิดาก็สวรรคตกรมมะหม่นเจสดาบดินพระเชศฐาต่างพระมารดาเสด็จขึ้นครองราชสมบัติทรงพระนามว่าพระบาทสมเด็จพระนางกล่าวเจ้าอยู่หัววชิรยานพิกขุจึงทรงดำรงอยู่ในสมณเพศ ต, ต่อไปอย่างไม่มีกำหนด ทั้งที่ทรงตั้งพระทัยไว้แต่เดิมว่าจะพนวดเพียงพันษาเดียวรวบรัดตัดความว่าวาชิรยานพิขุได้พนวดอยู่นานถึง27พันษาต่อมาในปีพุทธศักราช2 3 8พรพระบาทสมเด็จพระนั่งกล่าวเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตพระบรมวงศานุวงศ์และมุขมนตรีทั้งหลายกราบทูลให้ทรงลาพนวดมะครองราชสมบัติ ทรงพระนามว่าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวท่านหยุดเล่าและถามหม่อมรัชวงศ์พันเรืองว่าที่อาตมาเล่ามานี้ถูกต้องไหมถูกต้องจาะมารดาด็อเตอร์กิ่งแก้วตอบท่านพระครูจึงเล่าตอ่อ ที่นี้ก็มาถึงเจ้าจอมมารดาแพรระหว่างที่พระบาทสมเด็จพระจอมกล่าเจ้าอยู่หัวผนวดเป็นพระภิกษุอยู่นั้นนางสาวแพรซึ่งจอดแพรอยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยานาวัดสมรายได้ใส่บาทวาชิระญานพิขุทุกวันคลั้นทรงลาสิกขาแล้วพระองค์ก็ทรงส่งวอมารับนางสาวแพรเข้าวังและทรงแต่งตั้งให้เป็นพระสนมเอก เมื่อมีโอรสทิดาจึงกลายเป็นเจ้าจอมมารดาแพรถูกต้องไหมด็อกเตอร์ครั้งนี้ท่านถามด็อกเตอร์กิ่งแก้วถูกต้องค่ะหม่อมยายเคยเล่าให้โยมฟังว่าก่อนวอจะมารับหนึ่งวันมีแรงร่อนมาลงที่แพรของหม่อมทวดหม่อมทวดจึงนำแก้วแหวนเงินทองที่มีอยู่มากรองต้อนรับฝูงแรงพร้อมกับพูดว่าเงินไหลนองทองไหลมา เงินไหลนองทองไหลามาปรากฏว่าวันรุ่งขึ้นมีวอมารับเข้าวังและก็ได้รับแต่งตั้งให้เป็นพระสนมเอกที่โยมเล่ามานี้ถูกต้องไหมคะด็อตอร์กิ่งแก้วเรียนถามท่านพระครูบ้างอาตมากําลังจะเล่าต่ออยู่พอดีในเมื่อด็อเตอร์เล่าเสร็จแล้วอาตมาก็เลยไม่ได้เล่าเป็นอันว่าจบเรื่องของเจ้าจอมมารดาแพเพียงเท่านี้ ทีนี่อาตมาจะเล่าเรื่องของด็ตอร์บ้างอาจารย์แก้วกับอาจารย์อุบลช่วยจําด้วยว่าอาตมาเล่าว่าอย่างไรค่ะอาจารย์ทั้งสองคนตอบพร้อมกันท่านเจ้าของกุฏิจึงเล่าว่าด็อร์คิดว่าอาตมาเล่านิยายชีวิตของด็ตอร์ก็แล้วกันท่านพูดออกตัวด้วยเกรงว่าจะเข้าขายอวตริมนุษธรรมจากนั้นจึงเล่าว่า ดกรกับอาตมาเพิ่งรู้จักกันเมื่อไม่นานมานี้แต่ในความรู้สึกของด็อร์เหมือนกับว่ารู้จักอาตมามานานแสนนานอย่างนั้นใช่ไหมใช่ค่ะด็ตอร์กิ่งแก้วยอมรับและเกิดความสงสัยว่าท่านรู้ได้อย่างไรจะรู้ได้อย่างไรก็ไม่สําคัญเท่ากับว่าที่อาตมารู้นั้นมันจริงหรือเท็จด็ด อ, อร์ฟังต่อไปก็แล้วกัน จากนั้นท่านจึงเล่าต่อดอกอรกิ่งแก้วฟังอย่างตั้งใจระคนสงสัยว่ายายท่านจึงรู้ว่าเธอกําลังคิดอะไรอยู่อีกประการหนึ่งดรมีจิตผูกพันกับพระเจดีในวัดใหญ่ชัยมงคลยอมขับรถจากอายุธยาไปสอนที่กรุงเทพเพราะอยากมาอยู่ที่วัดนั้นนอกจากนี้ดรยังคิดว่าจะทางานไปอีกสักระยะ แล้วก็จะขอบวชชีอยู่ที่วัดใหญ่ชัยมงคล น, นี้จะได้อยู่ใกล้พระเจดีตลอดไปอย่างนั้นใช่หรือไม่ใช่ค่ะด็อเตอร์วัยตอบเสียงเครือรู้สึกปีติจนน้ำหูน้ำตาร่วงและแล้วน้ำตาก็ไหลพรากพรากราวกับทํานบพังอ้าวอย่าร้องไห้สิถ้าร้องไห้อัตมาก็จะไม่เล่าตอ่อท่านพระครูตั้งเงื่อนไข ด็กเกิ่งแก้วจึงหยิบผ้าเช็ดหน้าออกมาจากกระเป๋าถือเช็ดน้ำตาจนแห้งแล้วกราบเรียนท่านพระครูว่าโยไม่ร้องไห้แล้วนิมลหลวงพ่อเทศต่อค่ะเธอจงใจใช้คำว่าเทศแทนเล่าท่านเจ้าของกุฏิจึงเล่าต่อด็อร์อยากมาอยู่ใกล้พระเจดีแล้วก็เฉพาะเจาะจงด้วยว่าต้องเป็นเจดีวัดใหญ่ชัยมงคล จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเท่านั้นจริงไหมจริงค่ะด็ อ, อร์กิ่งแก้วยอมรับอีกรู้สึกศรัทธาท่านพระครูเป็นล้นพ้นที่รู้เรื่องของเธออย่างละเอียดละอเรากลับเป็นตัวของเธอทั้งที่ท่านกับเธอรู้จักกันไม่นานมานี้เองท่านเจ้าของกุฏิรู้ว่าด็ อ, อร์วัยสีกําลังคิดอะไรอยู่ท่านจึงคิดในใจบ้างด็เตอร์ไม่รู้อะไร ที่อาตมารู้เรื่องของด็เตอร์เพราะสมเด็จโตทันเล่าให้ฟังเมื่อคืนนี้เองคิดดังนี้แล้วท่านจึงถามว่าด็ตอร์เป็นคนกรุงเทพคุณแม่ก็เกิดที่กรุงเทพคุณพ่อก็ไม่ได้เป็นคนอยุทยาแต่ด้วยเหตุอันใดด็ตอร์จึงผูกพันกับอยุธยามากตอบอาตมานหน่อยสิโยมก็ไม่ทราบค่ะว่าเพราะเหตุใดเพราะเหตุใดหรือคะ ดกรกิ่งแก้วถามกลับท่านพระครูตอบว่าอัตมายังไม่บอกต้องให้ด็ตอร์รู้ด้วยตนเองเพราะอัตมาบอกไปด็ตอร์ก็จะเกิดความสงสัยว่าสิ่งที่อัตมาบอกนั้นจริงหรือเท็จเอาไวด้ด็ตรรู้เองแล้วจึงค่อยมาคุยกันกับอัตมาใหม่ว่าสิ่งที่รู้นั้นตรงกับที่อัตมารู้หรือไม่อีกนานไหมคะกว่าโยมจะรู้ อันนี้อาตมาตอบไม่ได้แต่อาตมามั่นใจเต็มร้อยว่าสักวันหนึ่งด็อกเตอร์ต้องรู้รอให้วันนั้นมาถึงเสียก่อนเกิดโยมตายไปก่อนโดยที่ยังไม่รู้ล่ะคะเอาเถอะอาตมาขอรับรองว่าด็อกเตอร์จะรู้ก่อนตายแต่ถ้าด็อกเตอร์อยากรู้เร็วก็ให้ปฏิบัติธรรมจเจริญกรรมฐ า, านบ่อยๆแล้วจะระลึกได้ว่าก่อนที่จะมาเกิดเป็นด็อกเตอร์กิ่งแก้วนั้น เป็นใครมาจากไหนขณะที่ท่านเจ้าของกุฏิสนทนากับด็อกเตอร์กิ่งแก้วน้องสะพ้ายของเธอฟังอย่างตั้งอกตั้งใจรวมทั้งอาจารย์ทั้งสองที่มาจากวิทยาลัยครูทนบุรีด้วยส่วนมอมรัชวงศ์พันเรืองนั่งหลับตัวโยกไปโยกมาซึ่งเป็นธรรมดาของผู้สูงอายุมักจะง่วงเหงาหาวนอนมากกว่าเมื่อตอนอยู่ในวัยนมสาว แล้วยมล่ะรู้ไหมว่าทำไมถึงต้องมาเป็นสไายของตะกกลนี้ท่านถามน้องสไปซ์ด็อกเตอร์กิ่งแก้วไม่ทราบค่ะเธอตอบไม่ทราบเลยคะแล้วอยากทราบไหมล่ะคะท่านถามยิ้มยิ้มทุกคนที่นั่งอยู่ในที่นั้นยิ้มตามท่านยกเว้นหม่อมราชวงศ์พันเรืองซึ่งนั่งหลับสปบังกอยู่ข้างลูกสาวลูกสไปซ หม่อมราชวงศ์พันเรืองตอบว่าอยากทราบค่ะนิมนหลวงพ่อบอกให้โยมทราบด้วยค่ะอาตมายังไม่บอกแต่จะให้โยมรู้เองถ้าอยากรู้ก็ต้องทำเหมือนที่อาตมาแนะนำด็อกเตอร์คือให้ปฏิบัติธรรมเจริญพระกรรมฐานบ่อยๆจะมาปฏิบัติวัดนี้ก็ได้หรือจะไปที่คณะห้าวัดมห า, าธาตุก็ได้ที่นั่นมีผู้ไปปฏิบัติกันมาก สอนโดยท่านจ้คุณโชดกพระอาจารย์ข้องอาตมาโยมคงไม่มีเวลาหรอกค่ะเพราะลูกๆยังเล็กคงต้องรอให้ลูกๆโตก่อนน้องสปายดอกเตอร์กิงแก้วตอบไม่ต้องรอให้ลูกโตรอกดูอย่างอาจารย์แก้วสิท่านชี้มาที่อาจารย์แก้วและพูดว่าอาจารย์แก้วเข้ามาปฏิบัติที่นี่ตั้งแต่ปี2526 ตอนนั้นลูกชายอายุเท่าไรนะท่านถามอาจารย์แก้วแต่อาจารย์อุบลชิงตอบเสียก่อนว่าสี่เดือนค่ะนั่นเห็นไหมอาจารย์แก้วเขาไม่เห็นต้องรอให้ลูกโตเสียก่อนเลยแล้วลูกลูกโยมอายุเท่าไรล่ะผู้หญิงหรือผู้ชายท่านถามคนโต18คนที่2องคนเล็ก15คนโตเป็นผู้ชายอีกสองคนเป็นผู้หญิงค่ะ ตกลงว่าโยมจะมาตอนลูกๆปิดเทอมก็แล้วกันถ้าพาลูกมาปฏิบัติ ด, ด้วยจะได้ไหมคะเธอถามได้สิพาพ่อของลูกมาด้วยก็ยิ่งดีปฏิบัติกันทั้งบ้านกลายเป็นครอบครัวเทวดามีตัวอย่างนะครอบครัวหนึ่งเข้ามาปฏิบัติกันทั้งบ้านปรากฏว่าลูกๆ ก, ก็เรียนหนังสือเก่งพ่อแม่ก็ทามาค้าขึ้นเรียกว่าเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลก และทางธรรมหลวงพ่อพูดอย่างนี้โยมชักจากจะมาแล้วคะ่ะเพราะอยากให้ลูกๆเรียนหนังสือเก่งท่านพระครูพูดว่าเชิญมาได้ทุกเวลาวัดนี้ยินดีต้อนรับจะทำอาหารพิเศษไว้ต้อนรับคือแกงส้มกับต้มผักกาดดองแล้วบอกด็กเตอร์กิงแก้วว่าด็กเตอร์ไหนๆก็มาแล้วพาคุณแม่และน้องสปายไปทานอาหารที่โรงครัวนะ จะได้รู้ว่าแกงส้มกับต้มผักกาดดองที่วัดป่ามะม่วงกับวัดใหญ่ชัยมงคลวัดไหนอร่อยกว่ากันคำพูดของท่านทำให้หม่อมราชวงศ์พันเรืองหายง่วงราวปลิดทิ้งทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะคนทั้งสามยังไม่ได้รับประทานอาหารกลางวันดอกเตอร์แก้วกับอาจารย์อุบลไปทานข้าวนะท่านบอกอาจารย์แก้วและอาจารย์อุบลหนูกับพี่แก้วทานแล้วค่ะ แกงส้มกับต้มผักกาดดองวัดหลวงพ่ออร่อยมากค่ะคำพูดของอาจารย์อุบลทำให้คนทั้งสามรู้สึกหิวมากขึ้นด็อกเตอร์กิ่งแก้วถือโอกาสกราบนมัสการลาถ้าอย่างนั้นพอทานข้าวเสร็จโยมกับคุณแม่และน้องสะปซ์จะพากันกลับกรุงเทพนะคะด็อกเตอร์ไม่ได้กลับอายุทยาหรือโยมต้องไปเอารถที่จอดไว้ที่บ้านคุณแม่ค่ะจะค้างที่บ้านคุณแม่คืนหนึ่ง รุ่งเช้าค่อยกลับอายุทยาค่ะช่วงนี้มหาวิทยาลัยปิดภาคฤดูร้อนเดือนมิถุนายนจึงจะเปิดเป็นอันว่าพวกเราขอกราบนมัสการหลวงพ่อก่อนนะคะคนทั้งสามกราบเบญจางขาประดิษฐ์พร้อมๆกันสามครั้งแล้วจึงลุกออกมาท่านพระครูเตือนว่าอย่าลืมเรียกคนขับรถไปทานอาหารด้วยนะเขายังไม่ได้ทานมื้อกลางวานัน ในขุนทองรีบขันอาสาว่าหนูไปตามให้ก็ได้ะพูดจบก็กุลีกุจอลุกขึ้นเขาคิดว่าถึงไม่ได้ทิพย์พิเศษแต่ได้คุยกับโชเฟอร์รูปหลอก็ยังดีขุนทองไม่ต้องไปเดี๋ยวเ้าจัดการกันเองท่านพระครูเบกหลานชายเพราะท่านจะต้องคุยกับอาจารย์สองคนอีกจึงต้องมีคนของท่านนั่งอยู่เป็นสักขีพยานในขุนทองนั่งลง ทำหน้าตาเหมือนม้าหมากรุก ค, คนทั้งสามออกไปแล้วท่านพระครูจึงถามอาจารย์สองคนว่าอาจารย์แก้วกับอาจารย์อุบลรู้จักด็อกเตอร์กิงแก้วมาก่อนหรือเปล่าไม่รู้จักค่ะอาจารย์อุบลตอบก่อนหนูเคยได้ยินแต่ชื่อค่ะเพิ่งเห็นตัววันนี้เองนั่นแหละคุณแม่เขาเป็นเหลนของราชการที่ซคุณพ่อเขาเป็นดเตอร์เหมือนกัน ดูเหมือนจะชื่อดออรบุญถิ่นอัฏฐากรเคยเป็นอธิบดีกรมการฝึกหัดครูกรเกษียณมาหลายปีแล้วหนูเคยได้ยินแต่ชื่อท่านค่ะเพราะหนูก็เป็นข้าราชการสังกัดกรมการฝึกหัดครูอาจารย์แก้วกราเปลียนแล้วทำไมอาจารย์อุบลไม่รู้จักละ่ะสอนอยู่ที่เดียวกันไม่ใช่หรือท่านถามอาจารย์อุบลหนูออนมาค่ะ เมื่อก่อนหนูเป็นพยาบาลอยู่ที่สิริราชสอบเรียนต่อปริญญาโทได้ที่คณะครุศาสตร์เรียนตอนเย็นหลังเลิกงานแล้วพอเรียนจบหนูก็โอนมาสังกัดกรมการฝึกหัดครูเพราะหนูอยากเป็นครูมาตั้งแต่เรียนมัธยมแต่พ่อกับแม่อยากให้เรียนพยาบาลหนูก็เลยต้องเลือกพยาบาลอาจารย์อุบลตอบอาจารย์แก้วพูดขึ้นว่า หลวงพ่อคะหนูเพิ่งเห็นดกรกิ่งแก้ววันนี้แต่กลับรู้สึกว่าหนูรู้จักท่านมานานแสนนานตอนที่หนูมาปฏิบัติธรรมในโครงการของอาจารย์วิชัยเมื่อสามปีที่ผ่านมาหนูก็รู้จักหลวงพ่อเป็นครั้งแรกแต่รู้สึกเหมือนรู้จักหลวงพ่อมานานแสนนานเช่นเดียวกันกับที่หนูรู้สึกต่อด็อร์กิ่งแก้ว แต่พอหลวงพ่อเล่าเรื่องนักรบ19คนที่อยู่ภายใต้บังคับบัญชาของหลวงพ่อสมัยกรุงแตกหนูก็กราบเรียนถามหลวงพ่อว่าอาจารย์วิชัยเชิญข้าราชการมาปฏิบัติธรรมส0งคนแต่มาเพียง19คนคืนหนึ่งหลวงพ่อได้เล่าเรื่องแม่ทัพสมัยกรุงศรีอยุธยาและเล่าถึงนักรบ19คนที่อยู่ภายใต้บังคับบัญชาของหลวงพ่อหลวงพ่อบอกว่าเรื่องนี้ หลวงพ่อยังไม่เคยเล่าให้ใครฟังมาก่อนพวกเราเป็นกลุ่มแรกที่ได้ฟังนอกจากนี้หลวงพ่อยังได้ให้ดูดาบของแม่ทัพสองเล่มเล่มหนึ่งถูกตัดปลายเพราะแม่ทัพถูกจับไปเป็นเชลยอีกเล่มดูเก่ามากหลวงพ่อยังเล่า ว, ว่าได้ดาบสองเล่ม น, นี้มาอย่างไรหนูจึงกราบเรียนถามหลวงพ่อว่าหลวงพ่อเล่าให้พวกเราฟังเป็นครั้งแรก และพวกเราก็มีการ19คนเท่ากับจำนวนนักครบที่อยู่ใต้บังคับบัญชาของแม่ทัพแสดงว่าพวกเรา19คนที่มาปฏิบัติธรรมครั้งนี้ก็คือนักครบคที่กลับชาติมาเกิดใช่ไหมคะหลวงพ่อตอบว่าอย่างไรหลวงพ่อจำได้ไหมคะอาตมาตอบว่าอย่างไรล่ะอาจารย์จำได้หรือเปล่าท่านย้อนถามหนูจาได้คะ่ะ จำได้ว่าอย่งางไรไหนลองตอบมาสิอาตมาจะได้ตรวจสอบว่าอาจารย์จำผิดหรือถูกอาจารย์แก้วตอบว่าหลวงพ่อตอบว่าอย่าพูดไปนะตอนตอบหลวงพ่อยกมือขวาป้องปากด้วยพวกเรายังพากันหัวเราะตกลงว่าหนูจำผิดหรือจำถูกคะท่านพระครูไม่เฉลยแต่บอกอาจารย์แก้วว่า เอาไปเขียนนะแล้วจะกลายเป็นนักเขียนโด่งดังหนังสือขายดีเป็นเทน้ำเทท่าเงินไหลนองทองไหลามาแต่อาจารย์ก็ไม่รวยนะทำไมถึงไม่รวยรู้ไหมไม่ทราบค่ะก็อาจารย์ได้เงินมาเท่าไรก็ทําบุญหมดเงินไหลเข้ามาแล้วก็ไหลออกไปอยู่ตามวัดแล้วก็ช่วยคนโน้นคนนี้ อาจารย์อุบลช่วยจดไว้ด้วยว่าที่อาตมาทานายไว้อย่างนี้จะจริงหรือไม่หนูว่าคงจริงค่ะเพราะพี่เขาทำบุญแล้วก็เชื่อคนง่ายใครมายืมเงินให้ทุกรายเสร็จแล้วก็ไม่ได้คืนสักรายถูกโกงทุกครั้งท่านพระครูพูดว่าให้เขาโกงดีกว่าเราไปโกงเขาเพราะเขาโกงเราเขาก็บาปเรากงเขาเราก็บาป หนูไม่เคยโกงใครเลยนะคะหลวงพอ่อแต่ทำไมถึงถูกโกงก็ไม่ทราบก็คิดซึว่าเราเคยโกงเข้าไว้ตั้งแต่อดีตชาติชาตินี้จึงต้องมาใช้ณนะอาจารย์นะท่านหันไปพยักเยิดกับอาจารย์อุบลอาจารย์แก้วกราบเรียนอีกว่าหลวงพ่อคะมีอีกเรื่องหนึ่งที่หนูจะกราบเรียนถามหลวงพ่อคะ่ะหลวงพ่อจาได้ไหมคะ ตอนที่พวกเราสิบเก้าคนปฏิบัติครบเจ็ดวันแล้วก่อนกลับลงพ่อได้เมตตามอบพระเครื่องทรงโอความที่หลวงพ่อได้ดินมาจากศรีลังกาพอกลับเมืองไทยดินนั้นกลับกลายเป็นพระธาตุหลวงพ่อจึงนำไปทำพระและแจกหมดไปแล้วในปีสองพันร้ยสิบแต่วันนั้นหลวงพ่อบอกพวกเราว่าคืนนั้นหลวงพ่อไหว้พระสวดมนต์เสร็จก็อธิษฐานว่า พวกข้าราชการ19คนที่มาปฏิบัติธรรมตั้งใจปฏิบัติดีพรุ่งนี้เช้าพวกเขาก็จะกลับกันแล้วข้าพเจ้าไม่มีของที่ระลึกให้เขาจึงอธิษฐานจิตว่าหากข้าพเจ้ามีบุญพอก็ขอให้มีของที่ระลึกแจกพวกเขาด้วยแล้วหลวงพ่อก็วางพานไว้บนหัวนอนรุ่งเช้าปรากฏว่ามีพระเครื่องทรงโอคว่ำอยู่ในพาน19องค์พอดิบพอดี อาจารย์ผ่องพันธ์ที่สอนอยู่วิทยาลัยครูเชงใหม่บอกหนูว่าในปี2516ได้รับแจกไปองหนึ่งแล้ววันนี้ได้อีกองหนึ่งก็จะเป็นได้สององหลังจากกลับไปอาจารย์ก็เขียนจดหมายมาบอกหนูว่าพระเครื่ององค์ที่ได้รับแจกเมื่อปี2516ไม่อยู่แล้วอาจารย์จึงมีองค์เดียวเหมือนคนอื่นๆหลวงพ่อคะเป็นไปได้ไหมคะ ที่พระเครื่องของอาจารย์ผ่องพันกลับมาอยู่ในพานที่หลวงพ่อตั้งไว้อาจารย์แก้วเรียนถามอาจารย์คิดว่าเป็นไปได้หรือเปล่าล่ะหนูว่าเป็นไปได้ค่ะแต่อยากขอคำอธิบายเพิ่มเติมจากหลวงพอ่อท่านพระครูจึงอธิบายว่าพระเครื่องที่อาตมาแจกในวันที่พวกโยมกลับนั้นเป็นรุ่นเดียวกับที่อาตมาทำเมื่อปี2516 และแจกไปหมดแล้วแต่แรงอธิษฐานของอาตมาทำให้บางคนที่ได้รับไม่ได้ใส่ใจอาจจะนำไปไว้ในที่ไม่สมควรแล้วเขาก็ไม่มันสวดมนต์ภาวนาพระท่านก็เลยไม่อยากอยู่บ้านนั้นจึงลอยมาอยู่ในพานที่อาตมาแจกท่านพูดยิ้มยิ้มหลวงพ่อมีอีกสักสององค์ไหมคะหนูอยากได้คะ่ะอาจารย์อุบลเรียนถาม ไม่มีแล้วแจกไปหมดเกลี้ยงเลยอาจารย์แก้วเก็บไว้ดีๆนะอีกยี่สิบปีข้างหน้าพวกนักเรงพระเครื่องเขาจะหาซื้อพระรุ่นนี้กันให้ราคาองค์ละเป็นแสนแต่อาจจะไม่ต้องขายนะคนขายพระกินไม่มีใครรวยนานเดี๋ยวก็หมดท่านบอกอาจารย์ทั้งสองหลังจากนั้นอาจารย์แก้วและอาจารย์อุบลจึงกราบนมัสการลา